Oh, <laughs> เราก็ให้รู้จักกันและกันในทิศทางที่เราอยู่ร่วมกันโดยอาศัยการทําให้กันดูการอยู่ให้กันเห็นการพูดให้คนฟังที่พูดนี่ไม่ใช่พูดให้คนมามีศรัทธาเราโชว์ให้ดูเหมือนกับสินค้าให้ต้องการก็ไม่เป็นไรแต่ว่าประมาณเหมือนกับว่าห่ อ, อข้าวไปให้กิน ถ้าไม่กินก็ไม่เป็นลไรถ้ากินมันก็อิ่มไปโชว์ให้ดูนี่มันเป็นอาหารไปไปเรียกกินอะไรอื่นก็ไดเเไ้เอาห่อข้าวไปกินเอาหงอบูหรี่ไปให้เอาสุลาไปให้บางคนก็ไม่เอาห่อข้าวเอาบุหรี่เอาสุลาไปเลยก็มีเมืนกันท่านนี่จะเป็นสิทธิของเราเราสวดนนทง์วทงวัดเ์ชาติธรวัดเ์เจนมานเป็นการโชว์ให้เราสนุก สนุกไปกับการโชว์ออกบางถักพูดคำพูดที่เราสวดปีความหมายสนุกสงสาญอยาคิดว่ามันยุ่งมันยากสนุกสวดสาธยายซึ่งจะโลกนี้คือหมสัตว์อัญชลานำเข้าไม่ยั่งยืนมันจริงที่สุดโลกนี้บอกพวกืูเป็นดิษให้ลู้จักอิ่มเป็นธาตุของความอยากโลกนี้ไม่มีใครป้องกันได้ ให้เป็นใหญ่ใช่ว่าตนย่อมลัดยิงในสิ่งทั้งปองไปจริงไหมโชว์อันนี้ไม่มีใครอะไรเป็นของของตนร้อยคนก็หมดไปแล้วเกื้สวนเล่ยนาทรัพย์สินเงินทองไปแล้วร้อยชีวิตเราก็เห็นกับหูกับตาเราสิ่งที่เราทํากับมือเรามันก็ไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเชิตขอ ง, งของพ่อ เ, เกิดมาเป็นคนที่ทุกข์ยากทําอะไร ไล่หลายอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราสักอันใดทุ่มเดไปกับความรักทุ่งเดไปกับความอยากได้นื้กว่าเป็นของเรามันก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องพัดพลากจากของเักของชอบเกิดเท่านั้นมั้นเป็นอย่างนั้นให้เราสวดตอนตอนเช้าตอนเย็นมันเป็นการโชว์ผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าโยธรรมมังปัสติโสธรรมมังปัสติตทำเกลือ่อน โยธรํรมัปัจสติโสปฏิจสบุปปาทังปัจสติผู้ได้เห็นปฏิจสบุปปาบาทผู้นั่นเชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั่นเชื่อว่าเห็นพระธรรมปฏิจจบุปผบาทเกิดลายคือเนื่องด้วยกันสิ่งที่เนื่องด้วยกันมันต่อกันไปชีวิตเรามันต่อกันไปเพราะวันณ์นี้ก็ต่อมาจากเมื่อวานนะเมื่อวานนี้มันเป็นยางไงถ้าเมื่อวานนี้เรามีความโล่โภ ดูแลตัวเองอย่างดีแช่แข็ปรับปรุเปลี่ยนแปลงมันก็โตไปถึงมันนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราใช่สิ่งที่เราทํามาเหมือนเราปลูกข้าวปลูกเผืกปลูกมันลงไปในดินวันเดินตีผ่านไปเท่าไหรหัวเปิ่มของมันก็โตขึ้นเท่านั้นถ้าเราไม่ทําอะไรมันก็ไม่มอะไหลปลูกต้นไม้ที่เราปลูกทค็งไว้ตั้งแต่สี่ห้าปีก่อน มันก็ไม่อยู่เป็นต้นค้ามันก็เป็นต้นไม้เป็นต้นนาตน้นหนุม่มต้นอะไรก้นไปใหญ่โตได้มากันแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีนิมิตเครื่องหมายที่เราจะต้องบอกว่าอะไรที่เราทำการกระทำคือของเราทำอะไรแล้วเราไปทำชั่วปองชั่วก็โตขึ้นมาโตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นบาปภาริศนแล้วไม่มีใครเห็นเราเห็นไปเรื่อยๆก็ควรที่จะเว้นความชั่วควรที่จะทาความดี ความดีเนี่ยมันพึ่งได้ความชั่วมันตึ่งไม่ได้มีแต่ ม, มันลงโทษเราเพราะฉะน้นเราเนี่นเรื่องของเราที่ตัดสินใจจะไปเชื่อใครยจะไปศรัทธาใครคนนี้เราศรัทธาอาจารย์ของเราคนนี้เราไม่ศรัทธาอาจารย์ของเราไม่ใช่เราก็เป็นคนกลางอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราทําได้เราทํามันดีไหมอะไรที่เราทำไม่ได้เมื่อทําไม่ได้มันดีไหมเช่นไม่ความโกรธ แล้วมีความโกรธอยู่มันไม่ไหมไม่ความทุกข์เขาบอกบอกว่าอันนี้ไม่ทุกข์เรายังทุกอยู่มันดีไหมนั่นก็เป็นเรื่องของเราเถอะเถอเราจึงมีสิทธิเรื่องนี้จริงจริงแต่สิทธิที่เราใช้อาจจะผิดพลาดไปแล้วก็เคยชินเป็นนิสัยรื้อด้านไปเลยเราจึงมาบริหารตัวเองอลอลู่ทิศลู่ทางจับดูคำว่าดู สัมผัสเห็นได้สัมผัสได้กับสิ่งที่เราทําถ้าเราไม่มีอะไรที่น่าพึ่งพระอานเสร็เป็นที่พึ่งซึ่งหาได้ยากมันก็ไ ม, ม่ประโยชน์ไม่ใช่เรามีชีวิตของเราที่ผ่านไปผ่านไปหมดใจหมดไ ป, ดไปแล้วอะไรที่เราใช้ชีวิตของเราที่มาหมดไปเวลามันเป็นอายุของเราที่มันแกเข้าไปอย่างนั้นเลยแก่ เ, เพราะเวลาแก่ เ, เพราะเกิดนาน มันก็ไม่ใช่หรอกความอ้างอายุว่าเราเกิดงานเป็นคนแก่นีประโยชน์เลยรไหมคนแก่ไม่ใช่เอาอายุบะอ้างกันเอาความรู้เอาคุณธรรมยิ่งมีเวลาไปเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเวลาทําความดีเท่านั้นแกเพราะความรู้ไม่ใช่อยู่นานถ้าเป็นการรวยกรวยความดีความรู้ไม่ใช่บ้านโตโ ต, โตใหญ่ เป็นคุณธรรมที่เราอาศัยได้แล้วก็ไปบอกคนอื่นเราได้บอกคนอื่นสิ่งที่เรามีแั้นก็สมบูรณ์แล้วได้สอนแล้วได้บอกแล้วบอกใครอ่ะไม่อดไม่อยากคนที่บอกแล้วก็เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ร่วมกันแล้วก็เพื่อผู้อื่นคิดอะไรรู้อะไรเพื่อผู้อื่นมันก็สมบูรณ์ชีวิตของเราก็ไม่บกพร่อง ถ้าสิ่งไหนที่เราไม่ได้บอกเราก็บกพ่องอะไรมันถูกอะไรมันผิดคนทำผิดแล้วไม่บอกคนคิดผิดเราก็าไม่ชีย่างไม่เคยได้ยินเลยกว่างเราไม่เคยช่วยกันเลยก็ไม่เหมือนกันแม่แต่พี่น้องบุกปัญญาสามีของตนไม่เคยช่วยกันในถึงที่สุดอะไรที่เรามีฝืมือได้ทำลงไปอันมันดีที่สุดต่อกันแล้วกันเช่นพ่แม่ปัญญาสามีลูกหลานเรา เราทำอะไรที่มันเป็นความดีที่สุดเป็นความถูกต้องที่สุดสุดฝีมือหรืออย่างแต่เราทำอะไรสุดฝีมืออันที่เป็นความดีได้บอกได้สอนทำให้ดูได้ช่วยเหลือแม่คนตายไปจากฝีมือที่เราช่วยเหลือสุดสุดเนี่ยบางก็ไม่มีการปกป้องไม่ต้องไปเสียอกเสียใจเออคนที่ชัว่วเราได้ช่วเขาแล้วเก็ยังเป็นคนดีมาได้ก็สุดฝีมือเราแล้ว เราก็มาเดิเสียโอ่งเสียเจอมันเป็นอย่างนี้ในโลกเนะี่ยคนดื้อก็ไงคนซุกสนดื้อก็ไม่เท่าไหร่ด้านเนี่ยมันต็นทีนม่ก็มีเหมือนกันในโลกนะี่ยเรียกว่ามุทุอติมานะมุทุคือดื้อด้านอติมานะมีทิฏฐิมานะไม่เชื่อ บ, บังการงานเอาตนเป็นใหญ่เอาตนเป็นมาตตาทิปเตยยะไปที่ไหนทหําะไรเอาตนเป็นใหญ่ ตัดสินใจด้วยความคิดเห็นของตอนเด่นนั่นก็จะไม่ถูกเสมอไปโลกาที่ปฎิยาโลกเขาเป็นยังไงไม่โลกไม่ขี้มันก็ไม่ได้เวลานี้เดือดร้อนอะไรปัญหาอะไรเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายประโยชน์อะไรที่เกิดกับมนุษย์ทั้งหลายดูโลกเหมือนหลวงพ่อพวดว่านะ โ, โลกจะสดใสเพราะเราแจ้ไขตัวเราลองดูยัยเรวมาช่วยกัน้โลกมันเย็นลง โดยการกระทําของเราไม่อะไรสู้รุ่สุ้ร่า ย, ย, ายไม่ทาให้ใครเดือดร้อนเมื่อห้านิ้วสี่นิ้วเราทำลายที่มันจะทําให้โลกเย็นลงบ้างโลกเกี่ยวมันลายถ้าไม่รู้จักแช่ไขตัวเองเจ้าคนทําให้โลกร้อนเลาะ ว, วิวาดอิจฉาเบียดเบียนกาศมันก็เล่าร้อนเราจะอยู่ในโลกเพื่อความเราร้อนทุกยากลําบากมันก็ไม่คุ้มค่าแล้วนาดับตัวเองนะอนเหมือนไฟไหม้เมืองลังกาลกกะหลาม เค okay, ยได้ดูพลักพลามไหมจมหมันวิ ม, มลมนี้ผาพลักพลามไฟไหมเมืองลังกาแล้วไฟกันเนอะเฮ้ยมันจะหลุดเลยไปที่ไหนไฟไหมที่นั่นมีกองทัพแับไฟไม่รดดับเพลงิงมันก็ไม่หมอดจรกงจรมันไฟไม่อยู่ที่ไหนไฟไม่อยู่ที่หางหานุมานใช่ไหมไฟไม่อยู่ที่หางหานุมาน่ะ แล้วมันก็วิ่งไปไหนก็ไปก็เกิดตรงนั้นเป็นบ้านบ้นานเมืงไปก็ไม่ตรงนั้นพอาที่สุดหานวานก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกันไม่แต่วิ่งหนีเรื่อยๆเอาไปมาพอหานุมานรู้แล้วไปมันเกิดที่หางของตอนหนี่ยจนะแท้ทำไงละ่ะเอาหางโอมปับใบเดียวมันก็ดับทันทีค <laughs> วาม <laughs> ชั่วที่มันเกิดขึ้น น, น่ะ ท, ทุกคนดับที่เราเนี่ยความทุกข์ความหลุดลอยมันดับที่เราเนี่ย แช่ที่เราเนด้เอาคนนั้นก็แช่คนนี้ก็แช่มันก็เย็นเราตั้เงเดิอนมาใช้เราจะไปสร้างเรให้มันให้คนอื่นเป็นสุระเป็นภาระให้สุขภาพร่างกายแล้วก็ช่วยเตืเองเต็มที่มาใช้เราอาศัยแต่คนอื่นถ้านแล้วก็ีวิตเราก็หมดไปก็ทํำอะไรไม่ได้ มันก็ชีวิตที่มีอยู่นี่เอาทําความดีอะไรก็ได้มันหน้าวุมนวายที่เอาไชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งนะี่ยค่าของเราอยู่ตรงนี้เราทําดีเราอยู่สงบร่มเย็นเราอยู่ด้วยกันคนเดินก็เหมือนเราเราก็เหมือนคนเดินอันเดียวกันแท้ า, ทาเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันเนะี mm ่ย hmm. มันก็ไม่มีอะไรรีดขวางๆนี่คือของจริงชีวิตของคนเรา มันเป็นอันเดียวกันแต่แท้อย่าเป็นคนละคนเลยอันนั่นอาจารย์ของเราเราสตาอันนั้นอันนี้ไม่ใช่อาจารย์ของเราเราไม่สตาท่านอันนี้เป็นพี่เป็ปนน้องของเราเราละคนเราเกียรติคนนี้เมื่อเราจะชิดไปอิช้าคนเดินเมื่อเราจะชิดละคนเดินอันก็มันก็แบ่งแยกกันให้เป็นของเราวารลกความจังเลยไม่มีมีแต่ เพื่อนมิตรอิช้าเบียดเบียนกันก็ไม่มามันก็เกิดเป็นคนคนเดียวกันเมื่อใดรเราเปิดเป็นคนคนเดียวกันโดยรู้สึกสํานึกขึ้นมามันก็เป็นแผ่นดินราบเหมือนหน้ากองใส่สาศาสนาพระสีอะเรี ย, มยเมตไต้ก็มาเปิดขึ้นในแผ่นดินนี้มันจะเกิดกันได้เพราะเราทุกคนทําคนให้เป็นคนคนเดียวกันทําตัวเราให้เป็นคนเด่น คือคนเดินเป็นทุกข์เราเคยเป็นทุกข์เห็นใจกันร้งเดินโกรธเราก็เคยโกรธไม่มีใครไม่ทุกข์ไม่มีใครไม่โกรธไม่มีใครไม่ถูกตีฉีนเอ็นทามีเหมือนกันหมดไม่มีใครเสียอมาบาปเสื่รมลไม่มีใครอะไรต่างๆมีเหมือนกันหมดเราก็เคยมีมาแล้วโอ้เห็นอกเห็นใจได้มาช่วยกันเหมือนบ้านเมืองเราขณะ น, นี้เป็นการแยก ความคิดควเห็นแตกเล่าาซ้ำขีกันไปยังสู้กันอยู่คนหนึ่งก็เอาให้หมดไปคนนึ่งก็ยังเอาขึ้นมาแล้วเลยส่อสู้กันถ้ามันนั่งคุยกันเล็หน่อยนั่นก็มันยากเหมือนไฟมันหนึ่ที่หางของานุวานทุกคงก็มาดับเป็นซะมันก็เย็นเรื่อยมาคุยกันมาพูดกันจับก้าคุยกันไม่ใช่ตั้งทับตั้งด่านด่ากันทะเลาะกัน มันไม่มีอะไรดีเหมือนศึกอยู่ที่ไหนที่มันก็วอดวายหรสนามรบอยู่ที่ไหนที่มันกลร่ายรำกนสนเล็กส่นห้อยแล้วก็ลําบากกัแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นผลดีเมื่อโรบ ก, กันก็เดือดร่อนไปทั่วศึนค้ากันก็เดือดร่อนไปทั่วไม่มีผลดีเลยๆ เ, เอาชนะกันแบบนั่นมันไม่ใช่ชนะไปเสะิร อาชนะกันเองทุกคนเราชนะตืวเองเอาลดลาวาสอถอยคนละวาสองวาอันหลังกับปาอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขเรื่องนี้ใคจะสร้างขึ้นมาได้เอาอะไรมาสร้างถ้าเรามาสร้างขึ้นมามันก็เดืเอดร้อนถ้าราลดซะเอาคนที่เขาว่าเราไม่ดีเอาเขายอมสารภาพต่อไปผมจะไม่ทำเหมือนท่านโทษเหมือนวินัยของพระสงฆ์ สัพพอภติโยอรูเจ ว, ว, วิสสัพตปฏิโลโลเจวิสสะลาภุลาปฏิโยอโลเจมิท่านครับผมอาจจะมีความผิดพลาดอะไรที่มองไม่เห็นนาลาวัตถุกโยอาจจะลายอย่างอาจจะไม่ถูกหูถูกตาของท่านขตท่านจงอบอกด้วยเมื่ออาจารย์ก็บอกว่าปัจฉิอโสตาปฏิโยท่านรู้หรือ รูว่าท่านความผิดหรูออมัพันเตปัสสาวะไหมครับผมอาจจะผิดด้วยต่เดียงโอโส่องรอยเสกเออถ้าเห็นความมันผิดก็อย่าทำต่อไปนะเออถูกๆพเตปัสสาวะไมเสอถูกๆพันเตปัสสาวะไหมนาปูในวางกลิใจไหมนาปูในวังกินตะยีสัมมิครับผมังไม่ทำอนี่พี่นของก็อจงเแต่คนเราเนี่ยไม่ยอมกันเลย เอาผิดเอาถูกอะไรก็ได้จนจะเล่ารูว่ากันมันเป็นมีประโยชน์อะไยคนเราเนี่ยได้รับจูกันด้วยความเฉียดเช่นเชิงช่งหัวใจของเขาลุกเป็นไฟสมองของเขาอะมีอะไรอยู่ในสมองนั้นอาจจะมีระเบิดอาจจะมีปืนอาจจะมีอะไร ในความละโมบโลภมากในความเอาแช่เอาชนะกันปาดหานกันมันมีค่าอะไรวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไปอยู่ในาภาพเช่นนั้นภูมิเพียด น, นแทนที่อยู่ในภูมิศิลปภูมิธรรมเนเย็นเน่ยมันอยู่ได้เราสร้างขึ้นมาทุกคนสร้างภูมิันนี้ขึ้นมาให้มีวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของตนของตนให้ได้คนมีลูกก็ชิดแบบคนไม่ลูกคนมีหลานก็ชิดแบบคนมีหลาน คนมีสามีปัญญาก็คิดแบบคนมีพัญญาสามีก็มีทรัพย์สินแสดงขานมากมมมก็คิดแบบคนมีทรัพย์สินแสดงขานมากผมนั่นมีอะไรก็คิดแบบคนว่ามีอะไรคนจนคิดแบบคนจนรวยคิดแบบคนรวยถ้าเราจะไปคิดแต่นั้นอะไรที่มันเป็นชีวิตเราแท้ๆเป็นรับใช้จำต่อยกับสิ่งเหล่านั้นไม้แต่ร่ำรวยก็ไปคิดแบบร่ํารวยมันก็เอาความร่วยมาเป็นลิขิตชีวิตของเรา อ้าวว่ามีความสุขมีความสมบงบความเย็นมัก็ไม่ใช่แล้วเราต้องมาทําใจของเราเนะนี่ยมีก็มีให้เป็นเป็นก็เป็นให้ถูกถ้าเป็นไม่ถูกมีเป็นเป็นก็ผิดได้ทําให้เราเป็นทุกข์ได้เดือดร้อนได้เป็นสุขเพราะนิมิตอา mith เอามาต่อรองหาความสุขทุกวันคนทั้งหลายก็หาอา mith ม, มาสร้างความสุขมันก็ไม่เอจอสักทีต้อง ไม่มีอามมตมาบังคับให้เราปวดท่าอามาเป็นความสุขมันเป็นสุขในศีลในธรรมในชีวิตของเรานะ่มันก็แจ่มใสตลอดเวลามันมใอเวลารันก็แจ่มใสตด้วลการจลอามก็แต่จิตใจดเวากแจ่มใจตนอดเารก็แจ่มใสอย่างนก็นแจ่อเวลามนแจ่เามันไมไมีแ่ยลอวมันกแจ่มใลอดมันกแจ่มใสเวลามันคนแจ่มใเรามันอยู่ที่ใจของเรา ปัญญาของเราไม่ต้องมีอะไรมาต่อรองทําได้กันทีไม่มีวัตถุที่หนึ่งที่สองมาต่อรองมาอาศัยเหลินข้าก็กกทําของใจในั่นแหละไม้เหมือนร่างกายร่างกายต้องมีวัตถุที่หนึ่งที่สองมาช่วยอย่างเราไปหาหลวงพ่อคมไปหาหมอคนหมอก็ต้องขับรถเราก็ต้องมีรถเออต้องเดินไปต้องไปหาหมอเวลาที่ว่าจะถึงหมอมันก็ต้องมีขั้นตอนเยอะๆต้องเสียเวลาต้องใช่ ความพยายามจนได้มานอนเตียงมาอยู่ในห้องแล้วก็มีขั้นตอนแลขั้นตอนเช่นนั้นใครช่วยเราบ้างหลายคนต้องช่วยกันล็อกวนถึงหมอล็อกวนถึงสถานที่เครื่องมืออะไรต่างๆว่าไปตรวจเลือดป่วยจะเข้าถึงห้องตรวจเลือดออต้องนั่งอยู่กับผู้คนกุยล็อกคูยจอกันต่างคนต่างคนวกนวยที่จะช่วยตัวเองมันก็อาศัยอื่นมาช่วยไม่ได้ เราต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงออกข้าไปตรวจเลือดตรวจเลือดก็ไม่ใช่ว่าเขาก็มีข้างมาเอาเจ็มมาแทงเราดูดเลือดของเราไปตั้งสามหลอดจนวินไปเลยหิวเข้าก็หิวเข้าวินไปเลยเป็นแฉไปใช้ชื่อแบบนั้นหนะ่ะหมันก็ต้องจํา เ, เป็นมันจาจําเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายทีเดียวอันร่างกายเถ้ามันมีวัตถุเต็มที่สองไ ม, ม่คนช่วยเราเราทํางาน ล้วก็คิดว่ า, าใครจะปาลปอ็อปแน้อคุณหัวคนเดียวน่ะหลวงพ่อกลองมา ป, ป่าเ็จะตะแระในกปตรวจโลกมนก็ไม่มีเวลาอ้าวพอดีจันต้องมาเอาแยกคนเราคนแบบคุณหัก็เอาห ล, กลวก็่อกลมซะอาจารย์ก็เอาหลวงพ่อซะหลว่อก็ไม่รู้ไม่คิดอะไรๆมันโง่ที่สุดเลยเสียงก็ไม่เย็นครับประกาศแลวก็ไม่รู้เรียกชื่อเราก็ไม่รู้ โหรอกอาจารย์ต้องมาเรียกไปตาเข้าไปในห้องก็ต้องไปทําบัญชีอาชื่อต่อยองมาก็เอ้ามาถึงเวลาจันเตือนมาอาฉันอาหาเอ้าวคนที่ช่วยเราอยู่ก็มีนั่งรออยู่ที่โต๊ะแล้วหาอาหารมาตั้งไวเอ้าคนอ่ะปวดเฮ้ยเห็นด้านใจของโอ้เดี๋ยวมันต้องอาศัยกันด้วยทา อส่กันตถอแต่คนเราไปลังเกียดกันตามมาไปเบียบ่งกังตามมาให้แต่คนที่อาศัยคนนั่นทําความดีที่โน่นคนนี้ทําความดีอยู่ที่นี้แล้วก็ใส่คนทำความดีทั่วโลกถ้าคนทำความชั่วทั่วโลกเราก็จะอยู่เอาอะไรมาอยู่มังก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีความดีช่วยกันโลกเั่นให้ช่วยกันทนําความดีแล้วอยู่นี้เรานั่งอยู่นี้ พี่น้องบุตรปัญญาสามีเราอยู่บ้านเราก็ทำความดีอยู่นี้คนอยู่บ้างก็ทำความดีเลยว่อาไปอยู่ไปแค่เกิดความดีทุกทิก่ทุกทางว่านก็สงบร่มเย็นได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนะ่ะมันอยู่ที่าการกระทำของเราแ้่กายก็อยู่นี้ใจก็อยู่นี้ไม่อยู่ที่ไหนกายเราอยู่นี่อยากยกมือไหวก็ยกมือไหวได้จก ประหัตประหารก็เติมค่ากันได้หลวงพระนอนอยู่กติดีๆไอ้คนขึ้นไปง่ากติบุกเข้าไปไปฆ่าพระตายอยู่ในกติคิดปะมีหนังสือเพียมลงเอตีเอาจนตายในมุง่งเปป้อนเอาเงินเอาทองมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจมันทําไมจึงไปทำอางนั้นห้ามสักหน่อยไม่ได้หรืแล้วใครเดือดร้อนไอ้คนเดือดร้อน ตัวยังก็เดือดร้อนจับได้ติดคุกติดต า, ารางบาน์ีคิตไปแล้วใครทําให้เราเดือดร้อนใครทําให้คนเดือดร้อนอยู่ที่เราเนี่ยแหละไอ้คนที่ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นได้ลายคนที่ทําให้เราเดือดร้อนได้แม้แต่เราเนี่ก็มีสิ่งที่ทําให้เราไม่ปกติได้โลคใครไข้เจ็บอะไรต่างๆได้แต mm hmm. ่สิ่งเราดัง เรารู้แล้วไม่เดือดร้อนถ้าเราทําศึกษาชี้ขออย่งไม่ทุกถ้าเราไม่ศึกษาก็ทุกก็ถูกการพัดพาจากของรัของชอบใจชอบเป็นทุกปราจจัยสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกความไม่สบายกายก็ไม่สบายใจก็เป็นทุกความแข็งแกรยงใจก็เป็นทุกเราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว เราได้สวดเมื่อกี้นะทำจากไหนการทำที่สวดแต่งกองทุกข์ทั้งเช่นนั้นจะหมดจากเราไปได้ก็อุทิศสานทางสมาธิทางอุทิศต่อผู้เจ้าผู้เจ้าคืออะไรผู้เจ้าคือสอนให้เราสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่นนั้นอะไเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ปิญญาเป็นทุกข์อู้ันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยเปิธนาไปเป็นทุกข์ปิญญาณไปเป็นทุกข์สังขารไปเป็นทุกข์ ได้ไหมได้เย็นๆแต่ว่าเวทนาเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เลยสักว่าเวทนาแต่เย็นไหมเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโอ้เจ้าตะโกนบอกโอ้ยเราก็หลบปั๊บทันทีโอ้ยใช่แล้วใช่แล้วเห็นเวทนาเกิดขึ้นเีไรโอเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเปลี่ยนทันทีเลยโอ้ยตะ่กนเราไปหลงเอาว่าเป็นเราเป็นสุขเป็นทุกข์ อ้ก็สุขเพราะกายสุขเพราะเวทนาทุกเพเวทนาทุกพราะกายสุขเพราะกายทุกเพราะใจสุขเพราะใจเอา้าไม่ใช่หรอกเป็นเวทนาไอ้สุขที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นมันมีจริงไหมมันก็ไม่มีจริงไม่มีตัวตนโออุทิศรันตังสำนัชมาตัรู้วันนี้เข้ามาโอ้อร่อยเปลี่ยนได้โอ้เราก็ถึง้งวะขอให้พร้อมจันท์ของเราทั้งร้อย ขอให้ผมว่าจาันของเราทั้งหลายจงเป็น ไ, ไปรวชการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งชิ้นนี้เถินซึ่งใจน ะ, ะมันสนุกนี้เสารวันธรวัดไม่น่าขี้เกียจเอเอนั่งคุกเขา่านั่งพับเพียบนั่งเดินจางกับประเด็จป่าก็ว่าไปลองว อ, อกไปหายใจเข้าหายใจออกกับบทที่เราสวด มีสติเข้าไปตามไปอ้าวได้ฝึกสมาธิได้ฝึกปัญญาได้บริหารกายไปในตัวเสร็จเลยนี่คือจิตกรรมวิธีกรรมของเราไม่ใช่บอบายเ้าก็พ า, พ า, พากันสวดผลนั่นบทนี้เพื่อสอนเราเพื่อมองเรามองตนมองตนอย่างนี้